สายทำลนหน้ามนต์โว้สะดุดตา้านคนี้ไม่มีใครมาตามหาเธอเลยสักคนแฟนของใครหมอตะใสทำรวงหุ่มฟวงผิวบางทางมนเจ็บตรงไหนปวดตรง ยปนยาาโอ้ยอยทองงาม้าใครมาให้ตามโขาเป็นบาปเมนว่าใครไม่ปราณรีฟนะ้าน้องช่ยชื่นเป็นของใครมอเตอร์ไซค์คิดสัน จะตี ไม่ปรานาจรีฟ้าน้องช่วยชื้นเป็นของใครมอตะตาคิดตานห้ามวันห้ามพวงเฮาคืนหากวันนี้ถ้าไม่มีจอดยืนห้ามคืนแล้วผมจะ